อัโธทาธาิสมันเตหิสกจังธมโมสโสตบโบติทำควาสมสงบกันดีกว่านะก็การทำาสามความสงบให้เกิดขึ้ น, นในดวงจิตของเราเนี้ยที่ทุกคนต้องทำให้มีให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะว่า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 ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอจับหนอก็ได้หรือเป็นสมาธิหมุนนะก็เคยได้ยินที่โยมไปฝึกกันมาเนี่ยอสมาธิหมุนก็ทําได้เพ่งกสินก็ได้แต่มีโยมคนหนึ่งอยากฝึกก็เลยคุยกันเมื่อวานนี้ถ้าฝึกกระสินเนี่ยต้องมีครูบาอาจารย์ที่ท่านชํานาญจริงๆเนี่ยอยา่าไปฝึกคนเดียว การฝึกกสินเนี่ยมีสิบชิลิศทำให้จิตเป็นสมาธิได้ง่า ย, ยแต่มันจะมีอิกทีลิศทำให้คนเนี่ยหลงหรือวิคนจริตหรือวิปรารถาเทื่อนได้เยอะยอย่าฝึกเองมีเพ่งไฟมั่งเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งอากาศเพ่งสีขาวสีขวสเขียวสีแดง เ, เพ่ง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 แล้วมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยกลับมาดีดังเดิมยากที่ท่านบอกว่าเหมือนไฟไฟมันไปนสมขอนเลื่อเลียตอเนี่ยแม้ไฟดับแล้วเนี่ยตอมันก็ยังดำอยูะจิตอะไรก็จิตทั้งเราก็เหมือนกันถ้าเราไปทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตมันก็จะดำดำไม่ผ่องใสได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องควบคุม ควบคุมด้วยอะไระก็คือคําปริกรรมคุตโธธรมโมสังโฆได้หมดกิริยานของการกระทําท่าที่สวยที่สุดมีสองท่าคือเดินจงกรมกับนั่งสมาธินี่คือท่าที่สวยมองแล้วงามทาเดินจงกรมที่ครูบาอาจารย์ท่านนิยมให้ทํานี่เดินตามตะวันออก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 เสร็จแล้วก็เอ๊หมู่เพื่อนหายไปไหนสักพัดหนึ่งโยมเนี่ยโยมเห็นเห็นพระเนี่ยวิ่งอยู่นอกวัดไม่มีสบงทังสาก็ไม่มีเหลือต้องคดอยู่อันเดียวโยมไปโทุระเห็นว่าเอานี่พระที่วัดเรานี่ยนะก็เลยนํามาส่งที่วัดพอมาส่งที่วัดแล้วก็เอาสบง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 ผมขดเล็บฟันหนังเราเนะี่ยอย่างที่ว่านี่เนี่ยแม้แต่ฟันของเราเองเนี่ยจะไปขัดสีชีวันมันยังไงก็แล้วแต่นจะเอาเอาทองคาไปเลื่อมมันก็นแล้วแต่ไอข้างในก็เป็นฟันนะั่นแหละแม้แต่เอาทองคําไปหุ้มห่อแล้วเนะี่ยถ้ามาันหลุดลงมาเนี่ยเราลองเอาฟันของเราเนี่ยไปใส่ชามข้าวเราดูสิว่าปรุงมาอย่างดีเลยอาหารการกินของเราเนี่ยเอาฟันของเราเนี่ย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 ถามว่าจะไปไหนกั น, นะจะเข้าไปในหมู่บ้านนี้สักหน่อยเนี่ยผู้ชายทั้งนั้นเลยนะ9คนใส่เสื้อสีนั้นลายนั้นสีนี่ลายนี่นะท่านก็เอะใจนะออืจะเข้าไปในหมู่บ้านเนะ่เข้าไปทําอะไรเอะใจว่าวิญญาณเหล่าเนี้ยน่าจะเข้าไปเกิดแน่ท่านว่าอย่างนั้นสงสัยขึ้นมาตอนเช้า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 เรามีมาก็ทําไปวัดครูบาอาจารย์เราก็เยอะเนาะเลี้ยงดูบิดามารดาพ่อแม่เราเนี่ยญาติพี่น้องคนเฒ่าคนแก่อะไรเงี้ยเราก็ดูแลคิดดีทําดีผู้ดีนั่ยเนี่ยเพลินฝูงตกทุกขและยากมั่งก็ส่งเคาะกันไปการให้คนขยืมเงินหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าขอยืมครั้งแรกเนี่ยอย่าหวังได้คืนแล้วตัวเองอย่าเดือดร้อนที่หนึ่งนะครั้งที่สอง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 พมังค์รังรักขันตุสับ พ, พเดวตาสภะธรร ม, มานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเตภวตุสับ พ, พมังครังรักขันตุสับ พ, พ, พเดวตาสภพสังขานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเ ต, เตสาธุพพ